สำหรับตอนนี้ก็มาว่ากันถึงประวัติกรงศรีสิยากันต่อไปว่ามีกี่ยรยาัาชการกันแน่เป็นอันว่าสมเด็จพระมหิงครองราชเป็นราชการที่หกที่สิบหกเมื่อพระมหาอามพระมหิงกับพยารามนรงคบคิดกันกาจัดพระมหาธรรมราชาที่ทสิศนุโลกนี่เอาแล้วนียังไม่ดิบาบ คอยลานช้างช่วยตีพิษนลกแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าพระมหาธรรมราชารู้ตัวเสียก่อนขอให้บุเรงนองส่งทัพมาช่วยเมื่อบ้านเมืองสงบราบคาบดีแล้วพระมหาธรรมราชาสเสด็จไปพ่อไ พ, พ่อพระเจ้าบุเรงนองที่หงที่หงสาวดีมาพอศสองพหนึ่งรสิอ็ด สมเด็จพระเจ้าจากักรพรรดิทรงราบจากขันโหนครองราชสมบัติตามเดิมนี่เป็นราชการที่สิบเจ็ดนะพระเจ้าจากักรพรรดนี่มาเป็นราชการนะที่สิเจ็ดนะท่านก็รอท่าที่สิบห้าเลยสิบเจ็ดก็รอกันยุ่งๆอยู่นะพระมาหาธรรมราชาเสมเด็จพระองค์วดีสมเด็จพระพันเจ้าจากักรพรรดิจึงทรงทร ง, ง, งพระวิสุทธิกษัตริย์ชายา อันนสมเด็จพระมาหาจากาักรพรรดิเจีงทรงรับก็ไม่ทรงรับพระวิสุทธิกษัตริย์ชายาแล้วก็รปเอกาทศรสของพระหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระธิดาพระนัดดาที่เป็นหลานเป็นลูกกหลานนะมาจากพิศนุโลกเขาไม่ใช่ใครนี่พระม่ายกทัพมาวิาชิตกศสิยุธิยาอีก สมเด็จพระเจ้าจกักรพรรดิกำลังทรงไปชวนหนักเพราะนี้ป่วยมาพอศสองพันหนึ่งร้อยสิบสองสมเด็จพระเจ้าจกักรพรรดิสวรรคตพระมหินงทรงครองราชแทนทรงระนามว่าก็ไมหินท ร, ราชอันนี้เป็นราชการที่ไรเป็นราชการที่สิบแปดเอาเข้าไปแลล่อกันยุ่งกันไปยุ่งกันมาอยู่นี่ เป็นอันว่าเมื่อพระเจ้าเป็จักรพรรดิสวรรคตรใชการที่แปดก็เป็นพระมหินทรราชสมบัตนามว่าพระมหินทรราชพระมหินทราชาธิร า, รมาชมหินทราาชราชไม่ได้ทรงอาใจใส่ในการสงครามมอบหน้าที่สิทธิ์ขาดให้แก่พระยารามใโรงคนเดียวและพ่อมา ก, กือกาลังล้อมอยู่เข้าเตี๊ยกลงไม่ได้ พมา่านาะยังล้อมอยู่แต่ยังเข้าเตียโกไม่ได้เออเป็นกันสัตว์แต่ไม่สนใจในการสงครามเมื่อคนหนึ่งเขาทำก็ต้องคิดในที่สุดหลังจากพมา่าได้ใช้กลยุบายหลอกลวงต่างๆหลายครั้งแล้วก็ได้ตีโกศิษยาได้บุเรงนองได้ให้พระธรรมราชาเป็นกันสัติ์กรุง ปกครองกองศิลญ์ยาสมนามว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่รัชนี้ก็ยกแับกลับกองโฮสาวดีเอาพระมหินที่รัชเอาพระมหินธารที่ราชไปด้วยเอาตอนนี้เป็นอันว่าพระมหาธรรมราชาก็เป็นราชการที่ที่สิบเก้าจไม่ดีนะจึงเป็นจำไม่ด้วยว่าพระมหาธรรมราชาที่รัชอ่า แต่ว่าความจริงก็เดิมทีชื่อพระมหาธรรมราชาอยู่พิศนุโลกนี่กลายเป็นมหาธรรมราชาที่ไดครองกงรุงเสียยาเป็นราชการที่เก้าต่อมาปศหนึ่งพันศสองพันหนึ่งร้อยสิบสามพญาละแวกยกทัพมาตีเหมนเอ๊ะขอโทษพยาละแวกยกทัเเทพทเหมนมาตีกรุงเสียสยาไทยออกครบ จมพิยาจำปาที่ราชเสียชีวิตเมืองคอช้างพับขมินจึงกลับไม่ขมิออ้ 2, นเลยย่ำแล้วพอิ .2114 พระเนรีสนครองเมืองพิสนุโลกนะไม่ยังยังไม่มาเป็นกษัตริย์ที่นี่ครองเมืองพิสนุโลกทนเลส่วนตัวสำคัญสา ค, คัญเ ตมาพศ2118พญาละแวกยกทัพตีกรุงศรีสิยาแต่สู้มันได้กลับนี่ในการที่ในการที่19นี่มาชักเรื่องโยงๆนะต่อไปก็มาพศ2121พญาละแมกของพญาละแมกตีเมืองเพชรบุรีมันอ้อมไปยังไงของมันนั้น ไปตีเมืองพุเทศเพชบุรีแต่ว่าตีไม่สำเร็จพอศสองพันหนึ่งร้อยี่สิบสองไปเจ้าของสาวดีบุเรงนองสเสด็จสวรรคตตอนเดือนยี่ท่านถึงเดือนสามพระยาละแวกก็มาตีเมืองเพชรบุรีมีชยนใะไอเจ้าขมร้นนี่มันคบไม่ได้จริงๆ พศ2123พญาละแวกยกกองทัพมา ก, กวาดต้อนผู้คนชายแดนดะวันออกไปเมืองเขงมนเป็นจำนวนมากให้จากวกนี้นี่มันน่าจะต้อนให้ลงเมืองผีให้หมดพศ2127พระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับพมา่าต่อไปอารั ทนี้พระเจ้านันท บ, บุเรงยกกองทัพมาตีกรงศรีสิยาสองทางเขาในเรืสวนกับเอกาทศรสอนนุชายกทัพไปตั้งรับพม่าดูท่าทีรู้ว่าชท่ายจะสู้ไม่ได้ก็เลยยกทัพกลับพศ2128พมาตีทัพเชียงใหม่ แล้วก็ตีเมืองต่างๆลงมาพระเนริสุนออกรบกับพม่าพ่ายแพ้กลับไปพม่าแพ้กลับไปนะนี่คนจะจัดว่าพระเนริสุนนี่เป็นพระราชาสมัยพระเนรสุนนี่เป็นราชการที่ยี่สิบอะไกันยังไงๆก็เป็นกันแน่นะ่ะแล้วก็หลังจากนั้น เรียก่อนเมื่อกี้ว่ายังไงพระมาตีทัพเชียงใหม่ตีเมืองต่า ง, างๆลงมาพาระนเรศวรรบกับพระมาพระมาแพ้กลับไปพอศอ .2129 พระเจ้านันทบุเรงตั้งทัพที่กำแพงเพชรแบ่งเป็นสามทัพเข้าตีกรุงศรีศิยาลบกันห้าเดือนจนต้องถอยทัพกลับไปแล้วพอศอ .2130 นัก ส, สัทธากษัตริย์เมรตีเมืองดาชินบุรีพระเรสวนยกทัพไปตีกลับคืนแล้วก็ตีได้เมืองพัตบองโพธิสัตว์คนยะล่อมาให้หมดนะ <c oughs> ไม่ใช่หมดแต่เมืองฟัดคนแท้เรียบมันก็ดีอ่ะไม่พอศสองพันหนึ่งร้อยสามิบสามพระมหาธรรมราชาสมนคตพระเรสวนก็ครองราชความจริงพระเรสวนยครองราช เป็นราชการที่ยี่สิบนะเมื่อกี้ดูว่าจะบอกว่าไปที่ยี่สิบแตไม่ใช่มันดาวดาวเหมาเรียกว่าเหมาเหมายังไม่เป็นพระราชาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นพระราชาใช่ไหมทีนี้ต่อมาพศสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่มหาอุปราชาพมายกมาตีทักอถึงการจนบรีก็ถูกตีไพ่ไป ให้ดูให้ดีนะแล้วพอศสองพันหรอสิบห้าพระมหาอุปราชาพมายกทัพมาตีที่เดิมอีก <c oughs> ลบกันถึงตะลุมบอลพระเรศว์ชนช้างกับพระมหาอุปราชาฆ่าพระมหาอุปราชาได้ทัพพมาจะแตกกลับนี่เป็นอันว่าที่ชนช้างจริงๆนะมันที่ที่กาญจนบุรีนะ ไม่ใช่ที่ที่เขาตั้งไว้ที่อำเภอชิวจันทรนนั่นมันเป็นเสียหลักดูตอนนี้รู้ไม่ใช่มาลกันที่สุพรรณรกกันที่การเจนบุรีหลังจากนั้นทัพไทยตีได้เมืองทวายและเมืองตะนาวศรีตีบังละรุกบ้างแล้วก็พอศสองพันหนึ่งรอสีนิหกมเด็จพระเดชสวนยกทัพไปตีเขมรได้ชัยชนะ มวรยากวาดให้เรียบพอศสองพันหนึ่งร้อยสาิเจ็ดพระเอกาทศรถยกทัพไปปราบกบฏเมืองแตนนาวสีพอศสองพันหนึ่งร้ยสาสมิปดสมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปตีเมืงองขงสาวดีล้อมอยู่สี่เดือนยกทัพกลับอาหารหมดพอศสองพันหนึ่งร้อย ส, สี่สิบสองสมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปตีข้มาม้อีกมัญญากยากมาบ่อย พ่าม่า ย, ยา้อนย้อนย้ายเมืองหลวงไปที่ตองอู่ตีได้โฮงสาวดีและเมืองต่างๆเรื่อยๆไปจนถึงเมืองตงองอู่ล้อมอยู่สองเดือนอาหารหมดยกทัพกลับเมืองมอนทั้งหมดจิงขึ้นกับไทยโงสาวดีนี่ความจริงเป็นของเป็นของมอนเขาแต่พ่อม่ า, ม, ามันโกงเอาเขาไปไนะ่น แล้วก็ต่อมาเมื่อปีพศ1447ไปเจ้าหองสวัสดีสิ้นประชน์สมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปตีพม่าพศ2148พอถึงเมืองหางสมเด็จพระนเรศวรก็สวรรคตพระเอกาทศรถครองราช่าแทนเป็นราชกิการที่22 เป็นอันว่ารายการที่ดิบสองนี่ได้แก่พระเอกาทศรถจำกัาไว้ดีนะถามใครว่าใครราการที่ต่อไรก็ไม่รู้เรื่องเลยมันนั่งไล่เบียยถูกมั่งไม่ถูกมังงก็ช่างมันเถอะ <c oughs> พอศสองพันน้อยหกสิบสามก็ไอ้ถูกบ้างไม่ถูกบ้างเขาเขียนมมนได้ไม่ถูกเลยเขายังเขียนไม่บอสาาัยกันได้เนี่ย ก็เราพูดกันอย่างเราลันอย่างแบบลูกลูกลันหลานพี่พี่น้องน้องนันถูกมั่งไม่ถูกมั่งก็ช่างมันเราไม่ไปยืนยันกับใครเขาพศสองพันหนึ่งร้อยหสิบสามสเด็จเอกาทศรสสวรรคโคสี่แล้วตายเจ้าฟ้าสีสวภาคกราโอรสครองราชไม่ถึงปีก็ทรงอะไรพระเจ้าทรงธทรรม พระอรสมเด็จเอกาทศรสเกิดจากพระสนมทรงปรงพระชนแล้วก็ครองราาแทนนี่พอพนันนรายเป็นอันว่ารัรชการที่ยี่ิบสามก็ได้แก่พระเจ้าเจ้าฟาสีสวภาคใช่หไหมถูกไม่ถูกไม่รู้ไอ ข, ของโบราณโบราณแล้วก็สำหรับประวัการที่สี่ก็ได้แก่ ไคล่ะ <c oughs> สมเร็จเอกาทสวนันครเจ้าฟ้าสีสวพาคนะโอรสของราดดัไปถึังปีพระเจ้าทรงทำพระเจ้าทรงทำข้าสีนี่พระเจ้าทรงทำก็เป็นราชการท <c oughs> ี่ยี่สิบสี่ดูเอาอะไรแน่นอนก็ไอ้โลกเนอะ ซึ่งเป็นอรสถสมเด็จรปเอกาทศรสแต่จากพระสนมคือลูกเมียน้อยทรงรวมวชนแล้วครองราชราชแทนพศสองพันหนึ่งร้อเจ็ดเอ็ดพระเจ้าทรงรทมสวรรคตเอาพอข้าเขาตายแล้วแต่ไม่ไอยู่ให้มันตนลอดทันดันศึกตายซะได้เนี่เพื่อเชษฐาที่ราชคือพระราชโอรสครองราช พระเชษฐาธิราชนี่ก็เป็เจ้าลุงของปเป็นได้กาลที่๒ห้านะพระเจ้าลุงพะระนารายณ์คนนี้สำคัญเจ้าชููมากเจ้าหลานทมเมียนเลยโดนโดยตค่าตายพอศ2173พระเจ้าประสัตทองปรุงประชนพระเชษฐาธิราชทรงยกพระอาทาิตย์วงขึ้นทรงครองราชอายุ16อืะ ยกาย้าชธิดาวงศ์ทรงพระชนมายุได้ยี่สิบหกปีขึ้นครองราชได้เพียงสาทีหกวันก็ทรงปลดแล้วครองราชเองอันดีเหมือนกันเป็นอันว่าถอยหลังนิดราชการที่ยี่ิบห้าก็มาได้พระเจ้าทรงธรนะสวรรคตข้าเขาตายแล้วก็มาอยู่ให้มันนานเป็นต่อกี่ปีเนี่ย 63, 71, หกิบสามเจ็ดสิบเบ็ดะเถอยไม่กี่ปี ชายเชตฐาธิราชเนะี่ยซึ่งเป็นวิเชษฐาธิราชเป็นพี่ชายอันด ร, ราชโอรสทรงครองราชนะทำไมยังไม่รู้เรื่องหมายกว่าสมเด็จเอกาทศรถธนคดแล้วพระเจ้าฟ้าศรีสวัสดิ์พักราโอรสครองราชาาไม่ถึงปีเนะี่ยเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะแล้วพระเจ้าทรงทำ ม, มาเป็นรายการที่สี่ โอรสพระสนมคือลูกเมีน้อยก็ลงประชนแล้วก็ครองราชได้ไม่กี่ปีก็ตายข้าราการที่ห้ามาพระเจ้าทรงทํามสมณโคตพระเชษฐาทิราชราชโอรสครองแทนคือลูกของพระเจ้าทรงธรรมลูกของพระเจ้าทรงธรรมพระเจ้าโทแล้วลูกของพระเจ้าทรงธรรมเป็นพระเชษฐาทิราชนะ เชพระเจ้าเทวทินราชมาพอศสองพันหนึ่งร้อดสิบสามพระเจ้าประสาททองรงปรชนพระเชษฐาธิราชที่อีกเอาย้ายการยี่สหกยกพระอาทิตย์ตะวงขึ้นครองราชได้สิบหกอาอยุามาสิบหกขึ้นครองราชแล้วก็ให้ครองราชทีเพียงสามีก็ควงก็ปลดแล้วครองราชเสยเองเอ่ะมีราชการนี้เรากนนยุ่งอ่ะพี่ เป็นอันว่าพระอาทิตย์เป็นราชการที่ยี่สิบหกพระอาทิตย์วงทรงอยี่สิบหกปีเป็นราชการที่ที่ยี่สิบหกโดยอาศัยที่พระเจ้าประบบราศารัตทองทรงยกขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วก็ให้เป็นกษัตริย์ในศาลีหกวันก็ดีแล้วแล้วก็เลยทรงราเสเอง เป็นอันว่าพระเจ้าประสัททองเป็นพระราชาในได้เป็นรัชก า, กาลที่ยี่สิบเจ็ดเออ<ม>ก็สนุกดีดูเรื่องของโลก<ม>โลกมันเปนอ น, นิจจังนะพอศหนึ่งสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าพระเจ้าประสาทรทองสวรรคตรตายจเจ้าฟ้าชัยราชโอรสถถขึ้นครองราช แล้วก็พอซอนหนึ่งเจ้าฟ้าชัยขึ้งครองราชนี้ก็เป็นราชการที่ยี่สิบแปดแล้วก็ครองราชได้ปีเดียวพระนารายพระเจ้าประศรททองพระราดนาฬิจอรสพระเจ้าประศรทองก็ลงบัชนเจ้าฟ้าชัยอ๋อเจ้าฟ้าชัยนี่เองจอมเจ้าชู้เจ้าหลานทำเมีย แกจะอยู่ได้ยังไงแล้วแกก็ต้องตายเนี่ยสิตอนนี้เนี่ยคุณเหล็กกับอคุณเหล็กคุณปานอะไรเนี่ยกับคุณเด็ชพระนารายณ์ตอนนั้นยังรุ่นรุ่นรุ่นเดียวกันเพราะคุณเหล็กคุณปานเนี่ยเป็นลูกแม่นมเห็นน้องสาวพระพระนารายณ์เจียวเจ้าเห็นพระเจ้าอาจะไปเอาทําเมีย ก็เลยฟัดกันแหลกอีตอนนั้นตายหาไปเลยเป็นตั้งแต่พสองพันสองร้อยหนึ่งพระศรีสุธรรมราชาพระนุชาพระนุชาพระเจ้าประศรทองคลองราดเองนั่นหลอกกันยุ่งกันไปหมดที่นั้นเป็นราชการที่สามสิบจี กองลาดเองพศอ2203อเชียงใหม่ลันนาเมืองขึ้นของพระมาะมาขออยู่ร่วมกับไทยพระพระม่ากําลังยุ่งอยู่กับสิก่อสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระเจ้านารายส่งทัพไทยไปช่วยรักษาเชียงใหม่ยังไม่ทันจะถึงสิก่อก็สงบเชียงใหม่ต้องขึ้นกับพระมาศอีก ทัพไทยตีเมืองต่างๆเนน้ปางแล้วก็กลับเขี่มามากไว้หน่อยเดียวสมเด็จพระนารายณ์ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ลันนาจึงกลับ อ, อพศ2205สมเด็จพระนารายณ์ยกทัพไปตีเชียงใหมออ่ก็ตีลันนาจึงกลับกลับมา ไอ้ลันไหนจากไอ้เชียงใหม่หกันลันนากลับมาขึ้นกับไทยเช่นเดียวกับครัง้งโบราณทีแลกไปอยู่พม่าเขานี่พสสองพันสองร้อยหกมอญสิบสามิบสองห้อเมืองคนประมาณหมื่นเศษอพยพหนีพม่าเข้ามาท่านด่านเจดสีสามองขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารพม่ายกทัพตามมาขอคืนและยึดไซโยก ยิงปรดให้ปิญาโกสาลเหล็กยกทัพไปรบมังสุระราชาไม่ทัพพมา่าถูกปืนตายต้องยกทัพก็ตกพื้นแล้วยกทัพกลับไปพออ 2, 20ศ2027สมเด็จพระนารายย์ยกทัพใหญ่ไปตีพม่าตีได้เมืองายทางนันล้อมอังวะจึงขาดสาเสบียงกลับเอามั่งเอามั่งพม่ามันอยากมาตี พศ2201สันเอตสนันเดทนาลายสวรรคตพระเพรศราชาขึ้นครองราชมิจอมทรราชจอมทรราชในราชการที่ใดราชการที่สามที่เอ็ดที่หกจอมทรราชขึ้นมาแล้วไอ้คนเลี้ยงช่างมาเป็นพระราชาจ่าเป็นในสกิวันพระเพรศราชาขึ้นรับเรื่องเป็นกษัตริย์แล้วพศ2201 สี่สิบห้าพระเพศราชาสาจักรพระเจ้าเสือคืออะไรพระเจ้าเสือราชบุตรเลี้ยงคลองจักรของราดแทนนี่พระเจ้าเสือนี่ราชการอี่อะไรราชการที่สามที่สองนี่เสือจริงๆเสือแท้แท้ความจริงเขาคงมีดีอยู่มั่งนะถ้าไม่มีดีก็ไม่มีพวกถ้าท่านเสือจริงๆริงนั่นชอบอินโหนเยอะ พศ2252พระเจ้าเสือสวนครคดราชาโอร้ยครองราชแผน่นสมมุนนำนี่ว่าพระภูมิราชาที่ราชคุนหลวงไทยศักดิ์นี่ไปราชการ แ, แะไรราชการที่สามทสามจำไว้นะเอาช่วกันจำไหมนี่ยังประวัติศาสตร์ทรงเล่เอาก็ทหมดเป็นสองเทพ แล้วก็พศ 2,301 พระบรมโกศอะไรเฮ้ยเยอก่อนคุณหลวงไทสระนะมากี่คุณหลวงไทส ะ, ะ อ, สสะอันแก น, นี่นกัลยนิติสามแล้วก็พศ 2,275 คุณหลวงไทสระสวนอนาคตพระบรมโกศอนุชารองราชแทนไม่นี่แกมันยุ่งยุ่งจึงเลยันิติส า, สานี่นะ พระมาสาริสีพระบรมโกศเป็นราชการดีสารีสีครองราชแทนไม่มีอะไรยิ่งได้ยุ่งในบ้านในเมืองพอศส .2301 สพระบรมโกศตายสวรรคตอีกไปเจ้าธมพรราชการดีสารีพ่าราชโอรสครองราชเดสองเดือนพอต้อนถวายราชสมบัติแก่พระ สุดียาอมรินพระเชษฐาเออเป็นราชาีิสันี้หกเอ้าเป็นราชาลิสันได้สองสองันเป็นสองเดือนก็พอแล้วเป็นไงไงเป็นราชาได้สองเดือนก็พอเาเป็นราชาเจ็ดวันยังได้พรสสองพันสามร้อยสองพระเจ้าอรองยาวกษัตว์มา ยกทัพใหญ่มาล้อมกรงเสนติยาพณะนะสั่งให้ยิงปืนปืนแตกทูพระองค์ยกทัพกลับสิ้นระชนกลางทางโอโอมันจะเรื่องพอศสองพันสามร้อยเจ็ดมังละครอมพมา่ายกทัพไปทีลานนาแล้วก็ลานช้างได้จึงมาล้อมกรงเสนติยากระทั่งรุกราม ก, กันเป็นสามารถ พอศสองพันสามร้อยสิบสู้รบกันเป็นเวลานานนึกสองปีจึงตีกรุงศรีอยยาได้แตกอีกเมืองกรุงศรีอยาเสียแก่พม่าแล้วเกิดเจลาจนทั่วนาจักรนี่แต่พม่าิดสองหมดหมดกรุงศรีอยุธยาไงทั่วนาจักรไทยเจ้าเมืองต่างๆตั้งตัวเป็นใหญ่สู้รบชิงกันชิงอาํานาจกันเองในที่สุดทวาวชิรประการ คือพระเจ้าตากสินพระยาตากซึ่งตั้งตัวเป็นพระเจ้าตากที่เมืองจันทบุรีตีโบกออกไปพึ่องมีกําลั ง, ง, งคนเพนียงห้าร้อยคนพร้อมนลูกหาบนี่ถ้าน้ําใจเป็นไทยสิอย่างเดียวนี่มันไม่ยากยกทัพเรือเข้ามาทำปากน้ําเจ้าพระยาตีพระมารในเมืองธนบุรีถ้าตีค่ายโพสามต้นแต่หนีไป พศ2311เจ้าตากตั้งราชธา น, นีที่เมืองธนบุรีชื่อว่ากรุงทนบุรีมาสมัยกรุงทนบุรีนี่มันมีไม่เท่าไรนะเดียวก่อนเพราะันว่าสมัยพระเจ้ากรุงทนบุรีก็ไม่ต้องไม่ต้องบรรยายกันเท่าไหร่ถ้าคือมายายกันก็ยุง่งไอ้ที่พูดมาเนี่ยเราพูดให้ให้รู้ลำดับแห่งกรุงศรวียเท่านั้น ว่าครุงศรียาถามว่ามีกีรกร่ราชการราชการไหนที่ว่าอะไรปัญดานักประวัติศาสตร์แต่หลายสายกันปนเปลี่ยนปนเปลีป่ย น, นไปหมดเป็นอันว่าสายสายกันไปสายกันมาสายกันไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนก็เลยเป็นอันว่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่กล่าวมานี่ไม่ได้มุ่งหวังว่าแค่มันถูกมันผิด เป็นเพียงจะบอกให้ลูกๆทราบว่าวันนั้นวันที่สิบสามมกราคมสองพันห้าร้อยี่สิบสองที่ไปชุมนุมกันที่จันทึกเพื่ออาศัยพันโทสีพันวิจุพันเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของสถานที่แล้วก็มีโอกาสได้ชมการฝึกสุนัขสุนัขนี่มีระเบียบเรียบร้อยดีมาก สุนัขมีระเบียบดีหาหายจอเราหาได้าาายากเขาฝึกเลยดีก็เลยมานั่งนึกมองไปมองมาว่าถ้าเราจะฝึกคนให้มีระเบียบเหมือนสุนัขสุนัขไม่มีความดีอยู่หลายอย่างคือมีความกตัญอูรู้คุณเป็นยอดนี่เบร์การหนึ่งนี่คนเราจะดีได้เพราะอาใช้ความกตัญญูรู้คุณคน ถ้าคนทุกคนปราศจากความกตัญญูรู้คนกันแล้วมันก็ดีอะไรจะไม่ได้และบริการดีสองสุนัขไม่เจอคนคนก็ไม่ใช่สุนัขแต่คนก็มีความสามารถฉลาดสามารถฝึกสุนัขให้รู้ภาษาคนได้และสุนัข ก, ก็มีความฉลาดมากสามารถรักษาระเบียบวินัยได้เป็นอย่างดี วันนั้นดูดูแล้วก็สงสารสุนัขแล้วก็สงสารพวกคนผู้ฝึกสุนัขนับตั้งแต่เวลาที่ไปนั่งดูไม่เคยเห็นเขาดื่มน้ากันไม่เคยเห็นเขาดื่มสูบุรีกันแม้แต่สุนัข ก, ก็ไม่ได้กินน้ำความจริงสุนัขได้ชอบกินน้ำมากเพราะมันไม่กี้ร้อน แต่นึกมองไปแล้วก็สงสารสุนักแต่ว่าเธอก็ดีแสนดีแต่หากว่าเราจะมีจิตเป็นไมตรีซึ่งกันและกันรักษาระเบียบประเพณีอย่างคนฝึกสุนักคือมีความเข้าใจในสุนักและสุนักก็มีความเข้าใจในระเบียบินัยเคารพในระเบียบินัย รับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาญได้เป็นอย่างดีถ้าบอกซ้ายหันคนฝึกยังไม่ต้องสั่งยังไม่ยัง ไ, ไม่ได้สั่งให้ทำสุนักหันแล้วขวาหันกับรังหันคอยก่อนคลานหมอบนอนเธอปฏิบัติตามทุกอย่างอย่างเรียบร้อยน่ารัก เขาใช้เวลาฝึกกันเพียงแค่สามเดือนแต่คนเราในบางทีฝึกกันมาตั้งแต่ยุตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ถึงอายุยี่สิบเศษฝึกจนกระทั้งเข้าไปเรียนที่ไหนได้ที่ไหนก็ตามไอ้ที่เขาว่ามันดีๆเนี่ยแต่กลับกลายเป็นคนขาดระเบียบวินัยขาดความกระตัญโูรู้คนอย่างนี้ที่ท่านั้ำไหลโลหลานที่รัก ยงงยาเป็นตัวอย่างจงจำแบบสุนัขและบุคคลผู้ฝึกสุนัขไว้ว่าเขามีระเบียบวินัยด้วยกันทั้งสองฝ่ายผู้ฝึกก็มีระเบียบวินัยสุนัข ก, ก็มีระเบียบผลวินัยสุนัขย่อมดูผู้ฝึกเขาบอกว่าถ้าผู้ฝึกซึมซึมสุนักก็จะซึมตามผู้ฝึกกระฉับกระเฉงสุนัข ก, ก็จะกระเจบกระฉับกระเฉงตามนี่เป็นธรรมดา ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอยู่ใกล้คนเช่นใดย่อมเป็นเหมือนคนเช่นนั้นอยู่ใกล้เทวทัตก็ลงอเวจีอยู่ใก ล, ลออใ้องค์สมเด็จพระจินสีก็ไปพันิพานสําหรับเทพหน้านี้หมดแล้วดนประวัติศา์ทิ้งไปที่ว่าไปก็จะาหวทราบว่ามันมีเป็นเป็นอนิจจังถูกขังอนัตตาสําหรับแทบเทพหน้านี้หมดก็ยุติไว้ได้เพียงนี้หน้าหลังคือต่อไปใหม่